คำนิยมของหนังสือพิมพ์ในประเทศอังกฤษที่มีต่อหนังสือชุดโลกทิปของมิสเตอร์แอนโทนีบอเจียเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่น่าอัศจรรย์ที่สุดเท่าที่เคยปรากฏมีมาในโลกนี้หนังสือเล่มนี้ได้บรรยายถึงรายละเอียดที่บุคคลจะต้องประสบในชีวิตหลังจากมรณะกรรมไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วนได้ดีมากจากหนังสือพิมพ์ Two World ขอแนะนาหนังสือเล่มนี้แด่ทุกท่าน ที่มีใจกว้างขวางในการศึกษาเรื่องโลกภายหลังมรณะกรรมหากท่านผู้ใดอ่านดูแล้วจะวางไม่ลงหนึ่งสือพิมพ์หรือ Greater World เป็นเรื่องราวที่น่าอ่านและมีเหตุผลอย่างยิ่งเกี่ยวกับโลกของวิญญาณหนังสือพิมพ์ p s y c h i c News เราขอสรรเสริญมิสเตอร์แอนโทนีบอร์เจียที่ได้เปิดเผยความจริงให้รู้เห็นกันว่าเราทุกคน สร้างอนาคตของตนเองทั้งในโลกนี้และโลกหน้าด้วยการกระทำและความคิดของเราเองโดยแท้หนังสือพิมพ์ Express and Star าหมายเหตุในที่นี้ท่านสรุปคำนิยมมาให้แบบคร่าวๆนะครับ